มรณาภาพรั้งถึงนวันเดือนหปีวอกจตวาศพพุทธศักราช 2,415 เป็นปีที่ห้าในรัชกาลที่ห้ากรุงเทพมหานครสมเด็จพระพุทธจารย์โตไปดูการก่อพระโตวัดบางขุนพรมในก็ไปอาพาธด้วยโรคชราภาพส5้าวันก็ถึงมรณาภาพบนศาลาใหญ่วัดบางขุนพรมใน สิริรวมชนมาายุ84บริบูรณ์เป็นเจ้าอาวาสวัดรคังโคสิตารามมาได้21ปีบริบูรณ์รับตําแหน่งที่สมเด็จพระพุท ธ, ธาจาย์มาได้เจปีบริบูรณ์ถ้าจะนับปีตามจันทรคติก็ได้8ปีนับอายุตามจันทรคติก็ได้85ปีเพราะท่านเกิดปีวอกเดือนหวอกรอบที่เจ็ดถึงวอกรอบที่8เพียงย่างขึ้นเดือนห้าท่านก็ถึงมรณภาพ คิดทดหักเดือนตามอายุโฮราจาร์ตามสุริยะคตินิยมจึงเป็นอายุ8ปปีบริบู์ท่านจะรับพระราชทานน้ำสงศบไตรครองผ้าขาวเย็บถุงโกรธกลองชนะอภิรมณมซ้ายฝีพายเรือตั้งบรรทุกศพเมื่อเจ้านายคุณนางคุณเท้าเท่าแก่พวกอุปถาคพวกอุบาศกอุบาสิกาประชาชนชาวบ้านบางคุพรมวงพระสงฆ์ ส่งน้ําสมเด็จโตแล้วสนมก็กระสันตราสังศพบรรจุในโกรดไม้สิองเสร็จแล้วก็ยกลงมาที่ท่าริมแม่น้ําเจ้าพระยาฝีพายหลวงพายลงมาตามลําแม่น้ําเรือตามก็ตามไหลแม่น้ําส่งศพกระทั่งถึงหน้าวัดระกังสนมเชิญโกดศพขึ้นบนกุฏิสมเด็จอยู่แถบข้างท้ายวัดริมคลองคูวัดระกังตั้งศพ บ, บนฐานเบญจาสองชั้นมีอภิรมหกคัน มีกรองชนะยี่สบสาจากปีจากกรองพร้อมมีพระสวดพระอภิธรรมมีเลี้ยงพระสามวันเป็นของหลวงเมื่อวันศพสมเด็จพระพุทธจารย์โตมาถึงวัดระฆังวันนั้นผู้คนมาส่งศพรับศพน้มาสการศพนั้นแน่นอัดคับข้างทั้งผู้ดีผู้ไพรพลเมืองไทยจีนลาวมอนชาวละครเขมรพราหมณ์พระสงฆ์ทุกๆุกพระอารามเด็กวัดเด็กบ้าน แน่นไปเต็มวัดระฆังพระครูประหลัดสัมพิพัฒ ช, ช้างคือพระธรรมทาวรราชาคณะที่มีอายุ8ปบปดปีได้ตากพระพิมพ์แจกชำรวยแก่บรรดาผู้มาส่งศพสักการะศพเขารบศพนั้นแจกทั่วกันคนละองค์สององท่านประมาณราวสาม0 0ื่นองที่แจกไปและต่อต่อมาก็แจกเรื่อยจนถึงวันพระราชทานเพลิงและยังมีผู้ขอและแจกให้อีกหลายปี จนพระหมดสิบห้ากระถางมังกร